4. ปาจิตติกันแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือปาจิตตี166รสิคกขาบทเหล่านี้มาถึงวระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ 1. และสุนวะหมวดว่าด้วยกระเทียมสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการขอกระเทียมเรื่องภิกษุณีทุลนันธา793ส สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันรามของอนาถาบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นอุบาสกคนหนึ่งปรวาณาด้วยกระเทียมกับภิกษุณีทรงไว้ว่ากระผมขอปรวาณาแม่เจ้าทั้งหลายที่ต้องการกระเทียมด้วยกระเทียมและสั่งคนเฝ้าไร่ว่าถ้าภิกษุณีทั้งหลายมาก็จงถวายเธอไปรูปละสองถึงสม ครั้งนั้นมีมะหรสพในกรุงสาวัตถีกระเทียมที่เขานํามาเก็บไว้ได้หมดลงพิกษุณีทั้งหลายเข้าไปหาอุบาสกนั้นได้กล่าวดังนี้ว่า <Ph. S 2> พวกเราต้องการกระเทียมอุบาสกนั้นกล่าวว่าแม่เจ้าทั้งหลายกระเทียมไม่มีกระเทียมที่เขานํามาเก็บไว้หมดแล้วท่านทั้งหลายโปรดไปที่ไร่ภิจุณีทุลนันทาไปที่ไร่แล้วให้นํากระเทียมไปเป็นจํานวนมาก โดยไม่รู้จักประมาณคนเฝ้าไร่จึงตำหนิประนามโพนธนาว่าจะไนพวกภิกษุณีจึงไปที่ไร่แล้วให้นำกระเทียมไปเป็นจำนวนมากโดยไม่รู้จักประมาณเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเฝ้าไร่ตำหนิประนามโพนธนาบรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนแม่เจ้าทุลนันทาจึงให้นากระเทียมไปเป็นจานวนมาก